ขอให้พระองค์เนี่ยเสด็จไปเพราะฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากว่าพระผู้มีพระาพาตเจ้าจาักไม่เสด็จไปในที่นั้นตามที่นิมนต์ข้าพระพุทธเจ้าจาักไม่ได้โอกาสเพื่อจะชี้แจงกะ บ, บริษัทในขณะที่เขาปรารถนาและเพื่อบรรเทาความสงสัยก็คือคืออธิบายให้เขาฟังไม่ได้ชี้แจงก็ไม่ได้อธิบายก็ไม่ได้ เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าไม่สงเคราะห์เลยหรือบางทีเนี่ยก็จะมีคนกล่าวตาหนิอะไรกันอนนุ์พระอนุนเนี่ยอุปถาพระพุทธเจ้าแม้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทำการสงเคราะห์แก่พระอ น, นุ์เดี๋ยวเรื่องจะเสียหายลุกลามใหญ่กลายไปถึงพระพุทธเจ้า อันที่จริงเกี่ยวกับเรื่องอุปถากอุปถากบํารุงเนี่ยนะท่านถือว่าเรื่องใหญ่มากเลยนะจะทะเลาะกันจะเห็นด้วยการสามัคคีหรือไม่สามัคคีแตกแย ก, กหรือไม่แตกแย ก, กเกี่ยวกับเรื่องอุปถากเรื่องชั้นเรื่องเข้าหาเรื่องเข้าใกล้เรื่องออกไกลนี่แหละมันก็มีเรื่องนี้เรื่องราวใหญ่โตเนี่ยนะลุกลามมีปัญหาทุกยุคทุกสมัยพ่านพ่านนท์เนี่ยท่านฉลาดมากที่จริงแล้วท่านเห็นปัญหามาแล้ว20ปีเนี่ยนะท่านรู้อยู่แล้วว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างให้พบให้เห็นเพราะฉะนั้้นนท่าจะตอง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 เพราะอะไรเพราะชนทั้งหลายเขาจะกถามข้าพระพุทธเจ้ารับหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระอนุนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม ะ, ะแสดงคาถานี้สูตรนี้ชาดกนี้ที่ไหนหนังนี้หากข้าพระองค์จัดชี้แจงข้อ น, นั้นไม่ได้บอกไม่รู้พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ที่ไหนไม่รู้หมาถ้าพระอนนพูดว่าไม่รู้อย่างนี้นะอุปถากรงไง เพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่กล่าวว่าแม้เพียงเท่านี้พระนน์ก็ยังไม่รู้เพราะอะไรเพราะพระนน์ไม่เคยจากพระผูธเจ้าเที่ยวไปติดตามไปเหมือนเงาตลอดกาลนานทาไมถามแค่นี้ก็ตอบไม่ได้น่าจะรู้นะงน้นนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนที่ข้าพระองค์ไม่ได้อยู่ร่วมด้วยขอให้พระองค์กลับมาถึงแล้วก็แสดงธรรมให้ข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองค์ก็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 ควรจะได้รับสิทธิทพิเศษบางอย่างเพราะไม่งั้นเนี่ยได้ เ, เป็นคนสนิทพระพุทธเจ้าอย่างไรเป็นคนอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอะไรกลับเหมือนกับว่าอะไรนะเหมือนกับแบบทาตในเรือนเบี้ยคล้ายๆกับว่าแหมจําเป็นสุดแท้แต่นายไม่ใช่พระนนทําด้วยศรัทธาและพระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยซึ่งพระองค์ก็ประทานตามที่พระนนท์ประสงค์ทุกประการเพราะพระนนทก็รับพรแปรประการเหล่านั้นก็ได้ทําหน้าที่อุปถัมภ์ประจํา ท่านอุปถากอย่างที่เข้าเฝ้าว่าท่านเข้าเฝ้าวัละปกตินะวันละสิบแปดครั้งกลางวันเก้าครั้งกลางคืนเก้าครั้งแต่ไม่ได้ไปแปลว่าต้องไปนั่งคุยกับพระพุทธเจ้านะไม่ท่านไปดูความเรียบร้อยถือถ้ากลางคืนเนี่ยถือคดเพลิงเดินรอบพระขันทกุฏีเนี่ยนะประมาณเก้ารอบนั่นะ ประมาณเรอบเนี่ยนะก็แปลว่าทุกๆ15บหนาทีเออสี่นาทีด้วยซ้ําไปเนี่ยนะสีนาทีเนี่ยเขไปดูหน่อยละดูความเรียบร้อยแต่ท่านทําด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาต่อพระพุทธเจ้าอันนะอุปถากด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาอุปถากด้วยวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาอุปถากด้วยมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลังคือเป็นคนที่อวยพรให้พระพุทธเจ้าตลอด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 แต่ถ้าหาวพระพุทธเจ้าแงประตูไว้หน่อยหนึ่งแปลว่าอย่าเพิ่งไปบินทบาทกันนะพระองค์จะาพาไปบินทบาทวันนี้หรือว่าคืออันนี้ยกตัวอย่างนะรายละเอียดเรื่องอื่นๆืนเด็พระนนเนี่ยจะรู้อัธยาศัยพระพุทธเจ้าเรียกว่าแทบวา่าแทบไม่ต้องคุยกันเลยมีต้องพูดคุยบ้างอยู่เช่นพระองค์ยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มเสร็จแล้วก็มีพระรศมีลอยขึ้นข้างบนเนี่ยไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยพระองค์จะพูดเนี่ยอดีตหรืออนาคต บางทีในเหตุการณ์พยักตรั์เล่าเรื่องที่เคยมีในอดีตพระพุทธเจ้าจึงยิ้มบางทีพระองค์กําลังจับพยากรณ์เรื่องบางเรื่องที่จะมีต่อไปในอนาคตพระองค์จึงยิ้มเพราะพระนนทอย่างนี้ไม่รู้พระนนทจะถามแต่ถ้าเป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยพระนนทลืมคำว่าดูพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจแล้วว่าพระองค์ประสงค์อะไรเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพระนนทเนี่ยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ชาติเดียวอุปถัมภ์มาหลายแสนชาติ แล้วก็ถือว่าเป็นคนสนิทติดตามไปด้วยกันเนี่ยนะหลายชาติมากเนีนะเป็นทั้งเพื่อนกันเป็นทั้งพี่น้องกันเป็นทั้งเพื่อนรักเป็นทั้งบางทีพระโพธิสัตว์ออกบวชพระนรนก็เป็นอุปถากอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าอุปถากกันมาหลายแสนชาติแล้วว่างั้นเถอะผูกพันกันมาหลายแสนชาติแล้วเพราะฉะนั้นพระนรนจึงอุปถากพระพุทธเจ้าด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังท่านจึงมีความสุขในการ อุปถาพระพุทธเจ้ายางไม่ขาดตกบกพร่องทุกอย่างทำตามที่พระองค์ประสงค์หมดที่เรียกว่าวางบาตรไว้ข้างทางไปคนละทางอย่างนี้ไม่มีกรณีแบบนี้ไม่มีเด็ดขาดแล้วงันเถอะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเ อ, อ, อนุญาตให้พระอนนเนี่ยเป็นอุปถากปรรมพระาอานนนั้นบรรลุผลแห่งบารมีที่บําเพ็ญมาแล้วตลอดเท่าไหร่แสนกับ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 ทีนี้ท่านไปกินเมืองอยู่เมืองอื่นเนี่ยนะไปกินเมืองอะนะไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไปกินเมืองไปเป็นเจ้าเมืองอยู่เมืองอื่นมีอยู่วันหนึ่งท่านก็อยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธปิดาเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละพ่อของพระพุทธเจ้าด้วยคือซึ่งเป็นพุทธบิดาและท่านก็อยากจะเข้าไปเฝ้าพี่ชายของท่านคือพระพุทธเจ้าก็คิดถึงทีนี้ก็มาทีนี้ก็มาผิดเวลา มาที่เวลาที่เรียกว่าเขาไม่เฝ้าเข้าไม่เฝ้าพระพุทธเจ้าเวลานี้กันถือว่าพระองค์เข้าที่หลีกเล่นแล้วทีนี้ท่านก็ไปถามภิสูจนทั้งหลายว่าเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนบอกอยู่กุฏิพาพาข้าพเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหน่อยได้ไหมคือคือตัวเองเนี่อยู่เมืองไกลใช่ไหมจะเข้าไปดมดมเลยก็กระไรอยู่ก็เลยบอกให้ขอร้องให้พิสูจนทั้งหลายเนี่ยช่วยกันพาพาท่านเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที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 ท่านก็ไปพระภิกษุที่เป็นพุทธอุปถาก็พาท่านเดินตรงไปกุฏิเลยแล้วก็ไปนิมนต์บอกพระพุทธเจ้าค่ามีผู้ที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ออกมาคุยกันแปลกองค์อื่นๆทําไมไม่ทําไม่ได้แต่องค์นี้มีสิทธิทพิเศษอะไรสามารถพาคนอื่นมาเข้าเฝ้าได้เอออยากเป็นแบบนี้บ้างก็เลยเอนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันเจ็ดวันเสร็จแล้วพอฉันเสร็จเนี่ยนะท่านก็ตั้งความปรารถนาหลังจากเจ็ดวันเนี่ยนะก็ พ ร, พระพิสูรรูปนี้พิเศษยังไงในพระาศาสนาของพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยท่านเป็นเลิศทางอุปถาพระพุทธเจ้าก็ชื่นชมในเอตตะทักฆะด้านอุปถาให้ให้น้องต่างมารดานี่ฟังท่านก็เลยขอตั้งความปรารถนาได้เป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างนี้บ้างในอนาคตเสร็จแล้วในชาตินั้นเนี่ยนะท่านไปคอยติดตามดูว่าคนที่เป็นอุปถาพระพุทธเจ้าต้องทาอะไรบ้าง ท่านคอยสังเกตตลอดเลยนะว่าคนที่จะอุปถากพระพุทธเจ้าต้องทําอะไรตั้งกระเช้าจดค่าเนี่ยก็ติดตามดูพุทธอุปถักเพราะตัวเองในอนาคตจะได้ทําตามถู ก, กว่างั้นก็คอยศึกษาดูก่อนอะไรก่อนนั้นพระอนุน์นั้นจึงเป็นผู้เลิกทางอุปถากเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นผู้ที่อุปถากนั้นอุปถากนั้นจึงยกมากล่าวเพราะไม่ใช่ว่าปกติทั่วไปเนี่ยนะจะ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 ที่คอยติดตามฟังพุทธโ อ, อพุทธพุทธะพจนตามที่ต่างๆเนี่ยนะมันก็ของพวกเราทั้งหลายก็ถือว่าพระนนทนั้นมีอุปการะต่อพวกเรามากเลนะถ้าไม่มีพระนนท์แล้วอริยสัพย์คือสัตธานในพระตนะตรัยเราจะมีโอกาสไหมอุ้ยเปอร์เซนต์แทบไม่มีเลยเพราะนั้นก็ให้เราเลือกว่าพระนนทนั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ ปฏิบัติแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วทัานท่านเป็นอะไรเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่ยงกว่าอีกแล้วในจํานวนสาวกของพระพุทธเจ้านี่มาเคลืนเกี่ยวกับพระพุทธบิดาบ้างนะพระพุทธบิดาซึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพันธุมะเป็น พระพุทธบิดาพระเทวีนามว่าพันธุมดีเป็นพระพุทธมารดา บ, บังเกิดกล้าวของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีพระนครของพระองค์ชื่อว่าพันธุมดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมะ น, นี้เมื่อเก้าสิบเอ็ดกลับที่แล้วนะ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 พระเทวีพระนามว่ายศสวดีเป็นพระพุทธมารดาบังเกิดกล้าวของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูพระนครชื่อว่าอโนมะได้เป็นราชธานีของพระเจ้าสุ ป, ปฏิตะนะคือพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกีเวสภูนั้นพุทธบิดาเป็นตระกูลกษัตริย์ส่วนกะปุสันทโกนาคามนากาสปะนั้นเป็นพราหมณ์ ก็บอกว่าพราหม์ชื่อว่าอาคกิทัตเป็นพระพุทธบิดาพรามณีชื่อว่าวิสาขาเป็นพุทธมารดาบังเกิดกล้าวของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทาพิสูธทั้งหลายพระราชาพระนามว่าเขมะได้มีแล้วโดยสมัยนั่นแหลนครชื่อว่าเขมะวดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะพราม์ชื่อว่ายัญยทัต เป็นพระพุทธบิดาพรามณีชื่อว่าอุตราเป็นผู้พระพุทธมารดาบังเกิดเกล้าของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณนะก็พระราชาพระนามว่าโสภะได้มีแล้วในสมัยนั่นแลพระนครชื่อว่าโสภวดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะส่วนพรามชื่อว่าพรหมทัตตเป็นพระพุทธบิดา พรามณีชื่อว่าธนวดีเป็นพระพุทธมารดาบังเกิดเกล้าวของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะก็พระราชาพระนามว่ากิงกีได้มีแล้วโดยสมัยนั้นแลพระนครชื่อว่าพารณสีได้เป็นราชธานีของพระเจ้ากิงกีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระราชาพระนามว่าสุโธธนะเป็นพระพุทธบิดาพระเทวีพระนามว่ามายา เป็นพระชนนีบังเกิดกล้าวของเราในบัดนี้นครชื่อว่ากบิลพัทได้เป็นราชธานีของพระเจ้าสุดโททนะด้วยประการชนีนี่เกี่ยวรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธบิดารายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธมารดาในอัตตกถาเนี่ยนะซึ่งจะกล่าวรายละเอียดเนี่ยนะมีเรื่องให้กล่าวอีกเยอะมากเลยตอนนี้เริ่มคอแห้งบ้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดไม่ได้ วันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้